นั่งตามสบายตั้งใ่ฟังปแป๊บหนึง่งแล้พูดนางเพราะว่าโดยอายุโดยวัยเราขนาดนี้มันน่าจะผ่านผ่านงานมาเยอะและ้วคือผ่านงานคนตายมาเยอะและ้วเพียงแต่เรายัางไม่เข้าใจว่าเราใกล้พนานปฤติกรรมปฤติเกินเท่าไหร่นี่เป็นปิชนะธรรม เพื่อให้เราเห็นสิ่งเหล่านี้กระเชิญแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานเริ่มต้นจากการจุดเทียนถวบูชาพรารนาใจเขาศิลการเทศซึ่งแต่ละคนก็ถ้าพูดเราเง่ายๆคือ เดินผ่านศพทุกคนเว่าผ่านความตายมาทุกคนแต่เราไม่คิดเพราะนั้นพิธีกรรมเหล่านี้จึงเป็นปริศนาที่ต้องการให้เราคิดได้ว่าอืมเรากำลังเดินเจียดความตายคือมาใกล้เข้ามาทุกทีทีอย่างคุณหมอเนี่ยก็แปดสิบห้า ก็ลอยพุทธิธรรมมาแล้วพุทธิ 80, ธรรมแปดสิบมาถึเกณฑ์กรฐานเพราะฉะนั้นวิธีสอนโบราณอาจารย์เวลสอนพวกเราแล้วสอนกรมรมฐานสี่เรื่องก็คือเรื่องนี้แหละทีเป็นมาตรฐานมาโบราณกาลมาแล้วแต่แต่ยุคเรายุคเราคือยุคที่เป็นกรมรมฐานบางต้นอยา่างเราปูดสาวกันตาสีโล ซึ่งเป็นพระอาจารย์หลวงปู่มั่นที่เป็งคนไม่ค่อยรู้จักแต่าพูดถึงหลวงปู่มั่นเนี่ยเราจะรู้จักกันแต่อาจารย์ของหลวงปู่มั่นมันมีใครรู้จักหลวงปู่เมาส์ก mm ็ hmm. เป็นคนเก่ารุ่นแกท่านกรรมฐานที่หลวงปู่เสาใช้ประจําจริงๆแล้วเป็นของสุเด็จบรรดา ปัจสองมนัดเป็นคนแต่งในตำราแต่ว่าคนที่เอามาใช้เป็นจริงเป็นจังมาเผยแพรให้พวกเราเข้าใจก็คือหลปู่ซอกนตาซีโรแต่ว่าท่านปราาเป็นภาษาบาลีที่สวดกันทุกวันวันนั้นเริ่มต้นเจตุรารัฐ ก, กรรมฐานกรรมฐานสีข้อแรกก็คือพุทธานุสิติข้อนี้ มุ่งให้ผู้เราตั้งจิตตั้งใจเข้าถึงใจสาระมคมคือเป้าหมายใจสาระคมลูกศิษย์ลงปู่มั่นที่ถ่ายทอดแล้วได้เป็นเนื้อเป็นหนังคือเข้าใจก็คือหลวงปู่สิงห์กตยาโสม แล้วก็แต่งโดยพระน้องชายของท่านคือมาฮาปินปัญญาปุโรแต่วิสัาายอายุสั้นนิดนึงหลวงปู้เสิงเรากเจ็ดสิบต้นนิดหน่อยหลวงปู่ปินก็ห้าสิบกลางกลางก็ไปแล้วหนังสือที่ท่านแต่งชื่อพระไใจสารคมก็อันเดียวกันกรรมยามของพาาระบัญญัติทีนึงน้าใครสนใจเราไปศึกษาแล้วไปอ่านดู แล้วก็พิธีที่เราทำทั้งหลายแหล่เริ่มต้นเะียวอย่างบูชาบูนานก็คือไหว้พระก็คือนี้แหละพุทธานุสติธรรมานสังคารันติพุทธคุณธรรมคุณสังขคุณที่เราพาวนานี่คือคิดเบื้องต้นว่าทำไมต้องเป็นพัจัยสาระกมเพราะว่าคนปฏิบัติที่จะขึ้นบันไดขั้นแรก เอาโสดาบัลเอาไงอันนี้ต้องมั่นคงพรระตันตานาใจนี่เป็นหลักเลยเอาเป็นชีวิตเลยก็เอาชีวิตเป็นที่ตั้งต่อไปก็ศีลคนที่เข้าถึงบันไดขั้นแรกเนี่ย เ, เรียวอริยะกันตรสศีลคือเอาหัวเป็นประกันเอาชีวิตเป็นประกันเพาะนังนจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนั่นคืพุทธานุสติ ข้อที่สองก็คือแม่ตาหลังจานนั้นแล้วทาให้ตัวเรานี่มีแม่ตาต่อกันแล้ว่าจะเป็นแสดงออกทางกายหรือทางราจาหรือแพอ่ทางใจซึ่งเป็อง์ที่มีคุณค่ามากมากกว่าขอมีค่าใดๆแต่ที่สำคัญคือมันไม่ต้องใช้อะไรเลยเพียงแต่เราคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีนึกถึงแล้วก็แพร่แม่ตา คุรุสวดสองข้อแรกในจตุรารักบกัฏฐานคำฐานสี่ก็คือพุท ธ, ธานุสิติเพตตาอันนี้ใช้สำหรับคนเป็นก็คือพวกเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นพวกเรายัางไม่เข้าใจของพวกนี้คือไม่สามารถที่จะเข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงหรือข้อสองก็สองข้อสุดท้ายข้อที่สามอาสุภะข้อสี่มรณะ เราจะเห็นว่าข้อสามข้อสีก็เหมือนทาคุณหมอตอนนี้เดือแต่อาสุภะกับบุละนะก็คือผลแจกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมจีวกูยังไงก็ตายถ้าจะย้ำกันชัดๆก็คือสองข้อแรกใช้กับคนเป็นสองข้อสุดท้ายใช้กับคนตายเพื่อให้เกิดอนุสติ การระลึกถึงว่าเราทุกคนจะมีคุณสมบัติสีข้อนี้ประสีข้อแรกเนี่ยมันติดที่จิตเราไปหรือพุทธคุณธรรมคนสังคุนในใจสนาคมเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ติดไปนี่เมตตาถ้าจิตออกจากร่างหลังจากอัดสุภะมรณะแล้วจิตออกจากร่างแล้วคุณสมบัต กุบาร์ของจิตที่ออกไปมันไม่มีพุทธคุณทำมาคนสังก ค, คุณเป็นไตรสนาคมนั่นเแล้วมันจะไปไหนไอ้ที่สำคัญคือเมตตาเมตตาเนี่ยคือถ้าคนไม่มีเมตตารักษาศีลไม่ได้พันอ า, าิปายตาเห็นไหมที่ฆ่ากันได้เพราะอะไรเพราะไม่มีเมตตาที่มันโหดร้ายเพราะอะไรมันไม่มีเมตตาเนี่ยคือความหมาย มันมีเมตตาเมตตาต้องเกิดที่ตัวเองก่อนเราจะเอาเมตตาให้คนอื่นเขาเมื่อเราหาสตังเราหาสตังให้ไม่ได้ก่อนเราค่อยเอาสตังให้คนอื่นเขาม่าถึงจะเป็นประโยชน์ในความเข้าเมตตาอันเดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะไปขอคนอื่นมากกว่าเช่นเมตตาไปขอหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาครูบอาจารย์เมตตาหน่อยก็แปลว่าอะไรก็เราไม่มีเมตตาเลยจึงไปขอเมตตาคนอื่นเขา เพราะฉะนั้รถสบัดเหล่านี้คนอื่นให้เราไม่ได้เราสร้างขึ้นมาเองเพระฉนั้นพฤติกรรมตั้งหลายแรืที่เราทําทุกวันนี้ผ่านมาเนี่ยล้วนมีความหมายมีความสําคัญในชีวิตประจําวันต้องบอกว่าชีวิตประจำวันถ้าเอาสิ่งเหล่านี้เอามาใช้กับชีวิตประจําวันจริงเช่นพุทธานุาสนติธรรมานุสิตขันธิติรวมสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งเป็นที่ะระลึก ไปที่นึกถึงในด้างของจิตใจจิตมันก็จะจําของเรานี้ไปเรือใจสรณคมเรื่อการเข้าถึงพระใจสระนักคมเนี่ยถ้าเรามีใจสระนกักเป็นเครื่องยึดคือคนของผู้เจ้าธรรมสงที่เราสวดกันทุวันคืนก็คือพุโทธโธธรรมสังโฆนั่นแหละโดยฉั้นๆอิตธิปิโสกวาสวรัตโธสุพิทิปโนอันเดียวกัน มีความหมายอ เ, เ, เ, เ, เดียวกันแล้วเราธรมวัชเช้าธรวัดเย็นดั้งวันก็พาลานาเดียวกันนี่แหละก็คือภาลพุทธคุณธรรบุณสังฆคุณแต่เปลี่ยนแต่ว่าตอนเช้าตอนคำ่ำเท่า น, นั้นเองอันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่ในนนันในชีวิตประจำวันของพวกเราถ้ายังเข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านี้ก็เชื่อห่างไกลาศาสนาสุดท้ายห่างไกลาศาสนาก็โทษคนอื่นคนชักคนจูงหลาย กรณีศึกษาที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าถ้าเราโอปนายกโกคือน้อมทำไม่แชกตัวเราเองเราจะเห็นว่าแม้แต่พระสงฆ์องค์ในวงการพระสงฆ์เองเหมือนกันพิธีการพิเกิดพิธีสอนรูปแบบทุกวันมันง่ายแต่ที่สาคัญคือพระอรหันเยอะมากตัววันสอนภาษากับพระอรหันกันแล้วพระอรหันแต่งตั้ง เคยตั้งกันเองถึงสมัยพุทธการไม่มีนั่นอจากพุทธเจ้าเท่านั้นจะทําได้แต่ทุกวันเนี่ยตั้งตั้งกันเองรับรองกันเองบางสํานักบอกว่ า, วาถ้ามาอยู่กับสํานักนี้รับรองสามเดือนเจ็ดเดือนเก้าเดือนได้โสดานแน่นอนรับรองอย่างนั้นเลยนะเราถามว่าถ้าเป็นคำพูดอย่างเนี้ยลองมาดู เป็นคําสอนของพระุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสพระพุทธเจ้าตรัสแตเพียงว่ารับรองว่าถ้าปฏิบัติ จ, จริงต่อเ น, นื่องก็คือท่านบอกว่าชาติเดียวสามชาติเจ็ชาติเป็นอย่างน้อยนี่นคือสิ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรืองพุทธวจนะแต่ไม่ได้แปลว่าปีเดียวสําเร็จได้สามปีสำเร็จได้เจ็ปีสำเร็จทุกคน เพราะเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันเหตุปัจจัยคืออะไรบาละมีที่เราสร้างมามันไม่เหมือนกันบางองค์กระชาติเดียวท่านได้อย่างเช่นสมัยพุทธกาลผู้เจ้าพูดไม่กี่ประโยคตรัดไม่กี่ประโยคทําไมถึงตรัสรู้ได้เช่นแค่พูดคําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเด่ธรร ม, ามาดาสิ่งนั้นทั้งปวมย่อมีระดับพิธรรมาดาแค่นี้ก็ได้มาได้รั้งแรกแล้ว เคือซดาแต่เหตุปัจจัยก็คือบารมีในอดีตชาติท่านบำเพ็ญมาไม่รู้กี่พบกิชาติแล้วแต่นี้เราจะมารับรองกันเองว่าเอาหลวงพ่เจ้าเป็นตัวตั้งปีเดียวสามปีห้าปีสำเร็จแน่นอนนันไม่มีว่าผู้เจ้าจะไปโปรดใครท่านต้องรู้ต้องเห็นว่าในอดีตวาสนาบารมีเคยปฏิบัติกันมาเคยร่วมกันมา มันใกลก้จะเต็มแล้วท่านแข่ไปชี้เป็นเนะแต่ที่สำคัญคือทุกคนทุกองค์ได้ร่วมอธิษฐานบารมีร่วมกันในอดีตชาติหลายพบหลายชาติมันถึงได้เป็นอย่างนั้นได้แต่เราไปแค่รับรองคนนั้นคนนีนะ้มันไม่ได้นี่เลือกสัตธรรมปัจจัยรูปถึงอยู่ปัจจุบันก็เริ่มมีแล้วทำไมถึงเริ่ ม, มือว่าเริ่มมคนมาถามหลวงพ่อหลายรอบแล้วมาถามว่า สามเดินห้าเดินจะเดินได้ไหมมันไม่ตอบไม่ได้แล้วก็เอาไปเป็นหลักการหลักการว่าให้คําว่าได้ของคุณคือได้อะไรและที่สําคัญคือสามเดินคุณทํามากน้อยขนาดไหนทําทุกวันหรือเปล่าวันหนึ่งกี่ชั่วโมงมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างมีองค์ประกอบไม่ใช่วันหนึ่งสามนาทีห้าทีสามเดินได้บรรลุมักก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้ว เพราะนั้นมันอย่าเอาความอยากเป็นตัวตั้งบอกอยากได้เริ่มต้นก็ผิดแล้วขาว่าความอยากก็คือตัณหาตัณหาคืออะไรอยากได้อยากมีอยากเป็นสามอยากนี้ทําให้เรายุ่งยากลําบากเดือดร้อนด้วยเพราะว่าสามอยากนี้ก็อยากได้แล้วมันไม่ได้อยากมีแล้วมันไม่มีอยากเป็นแ้่มันไม่เป็นอย่างนี้ ท่านจึงเรียกก่นั้นสั้นๆว่าตันหาพระพ่อเคยเขียนสันส้นๆเอาไว้ว่าทุกมีเพราะตันหาทุกมาให้กำหนดทุกหมดเพราะลดทมต้องลดทางตำเท่า น, นั้นที่จะหมดได้มไม่ใช่แค่ความอยากมันมีกันทุกคนอันนี้ต้อ ง, อาางระวังเพราะนั้นข้อแรกที่พระพาทธเจ้าสอนพุทธา น, นุสติเป็นเรื่องใหญ่ ใหญมากๆเพราะฉะนั้นอยากให้อยู่ในแนวความคิดในขณะที่เราปฏิบัติยืนเดินนั่งก็ดีให้เอาเนี้โอปรายโกเป็นแนวความคิดต้องอยู่ในวงการอันนี้อยู่ในวงจรอันนี้สองคือเมตตาเพราะว่าคุณสมบัติอันนี้จะติดจิตเราไปในขณะที่ออกจากร่างแล้วคือตายนั่นแหละแต่เอาใช้นะารคนเป็นส่วนบัทข้อที่สามก็คืออสุภะ น, นี่เรามองไม่เห็นเราขอมองเห็นว่าสวยหลอ่อสูงต่าดําขาวเรามองแค่นี้แต่ทําไมถึงมองเบาสุภาพเพราะว่าสําหรับผู้ปฏิบัติแล้วถ้ามองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับมองเห็นภายนอกเหมือนพวกเรามองตัวนี้แต่ภายในเหมืนพวกเราทุกคนตอนนี้ถ้า ท้าแหวะแหวกกรีดท้องบางๆหน้าๆนาเต็มไปด้วยหนังแล้วก็ไขมันออกไปข้างในเราคิดว่ามันสวยมัมงมันหล่อไหมข้างในมันคือตับไตเส้นพุงอุจจาระปัสสาวะที่มีอยู่นั่นคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นโดยตาเนื้อตาหนังโดยพ้องยิ่งคือยิ่งมองไม่เห็นด้วยปัญญายิ่งหนักเข้าไปอีก อันนี้ทไมท่านบอกว่าส่านยกอัศวาขึ้นมาสุดท้ายเราก็เห็นแค่ภายนอกก็เปติด่าสวยหลอ่อสุดท้ายก็มาแย่งความสวยความหลอกกันนีฆ่ากันตายผู้หญิงฆ่าผู้ชายผูยฆ่าผู้หญิงยื้อหยันกันมามีทุกวันข่าวมึงก็อยู่กับกูแล้วมึงไปไหนไม่ได้มึงไปกัมึงต้องตายทุกวันเป็นข่าวถ้รามองไม่เห็นข้างในมันแท้จริงดังนั้นในสาระที่เป็นนักปฏิบัตินะ ก็อมองเห็นข้างในทะลุแค่หนังาบางๆมากันไว้ไขมันกล า, า, างันบานท่านี้นงมองไม่เห็นเลือูอัศวะถ้าเรามองเห็นสิงนีแล้วมันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างยิ่งข้อสุดท้ายคือข้อสี่คือความตายอันนี้แน่นอนที่สุดเราทุกคนไม่มีใครพ้นจากสิ่งเหล่านี้และที่สําคัญคือเป็นเรื่องสุดท้ายเมื่อมาเจริญแล้ว แม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้แต่มันไม่ได้สุดท้ายท้ายสุดมันสุดท้ายเฉพาะชาติคือชา ต, ตะนี้เท่านั้นเพราะหลังจากหมดลมหายใจแล้วมันก็เหลือธาตุดินน้ำไฟลมมันทำหน้าที่ของมันแต่จิตมันไม่เคยตายแล้วมันไปไหนมันถืออะไรไว้เหมือนคุณหมอตอนนี้ท่มอคนนี้โยแต่สมมติโดยแต่ชื่อ สมพงศ์สีสุพรรณทองอันนี้ชื่อสมมุตินะเพราะว่าก่อนานั้นชื่ออะไรยังไม่รู้พอเกิดมาก็สมมุติอนี้พอหลังจากนั้นไปหรือแต่จิตมันยังไปต่อมันไปไหนก็ไปกับความดีความดีเนี่ยนะพอเรายัางไงทีนี้น้ําหนักไปทางไหนน้ําหนักประเทไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นอันนี้จึงเป็น กุศโลบายในโบราณาการที่ต้องการสอนให้พวกเราเห็นไม่ใช่เห็นธรรมดาก็เห็นตั้งแต่เกิดจนตายแต่เป็นสิ่งที่ผู้เจ้าห่วงผู้เรามากคือเราเราไม่ได้มองว่าสิ่เหล่านี้มาัาเป็นกระบวนการกระบวนการคือมันตอนนึงคือวันหนึ่งสงสามสีห้ามันไม่ใช่เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเห็นเรื่องรู้เกิดก็เกิดอย่างเดียวแก่ก็แ ก, ก่กอย่างเดียวเจ็บก็เจ็บอย่างเดียวตายก็ตายอย่างเดียว ให้เห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายนะ่ยมันเป็นกระบวนการถ้าใครเห็นเร็วที่สุดเห็นด้วยปัญญาคนนั้นจะได้ประโยชน์คนนจะเห็นธรรมเร็วคนนั้นจะเข้าใจธรรมเร็วเข้าใจพอรัตนาใจนั้นนะพนันพวกเราทุกคนมาวันนี้เพื่อน้อมระลึกถึงถือเป็นธรรมะ ส, สังเวชถ้าธรรมะ ส, สังเวชไม่เกิดนิพพิทาไม่มีทาง นิพพิทาคอความเบื่อหน่ายในรูปร่างกายสังขารนี้จะไม่เกิดถ้าธรรมสังเวชไม่เกิดธรรมะสังเวชถ้าไม่เห็นเป็นอสุภัสเขาไม่มีทางมันก็ยังรักยังหลงในรูปร่างกายสังขารอันนี้คือยังมัวเมงกันอยู่หลวงปู่แวนเขาบอกว่าถ้าเป็นทำเมามันไม่ใช่ทำมงมันเป็นทำเมานี่คือหลวงปู่เขาฝางไว้พะฉนั้นวันนี้เรามาเพื่อทําความเข้าใจ รอบทวนหลักการว่าสองข้อแรกก็คือพุทธานุสิตธรรมานุสิตตังการนุสิข้อสองคือเมตตาเนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติที่ติดตัวติดใจเราไม่ใช่ตัวติด จ, จิตเราไปแต่สม บ, บัติสุดท้ายก็คืออสุภะกรรมรณะเนี่ยก็วางอยู่กับโลกใบนี้แหละถึงใครไม่ทําอะไรก็ปล่อยให้เน่าให้เหม็นในโลกใบนี้นกลายเป็นขยะอย่างนึงหมือนซากแต่เป็นงานมันม้วนวอกว่าก็เป็นซาก เพือเราเป็นมนุษย์เป็นคนเรามีบุตรีบริหารจัดการให้เกียรติสำนึกมีบุญมีคุณแต่สัตว์ไม่มีอันนี้คือความแตกต่างและคุณสมบัติเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ตัวนั้น่ะสัตว์ไม่มีสัตว์มีคุณสมบัติเหล่านี้เพราะนั้นถ้าใครอยากจะเป็นยิ่งกว่าคนยิ่งกว่ามนุษย์ก็คือเป็นพระเนี่ยต้องสร้างคุณสมบัติเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับกายวาจา ใจของพวกเรามันก็มีแค่ น, นี้สรุปก็คือเราจะไปดีไปไม่ดีลำบากไม่ลำบากความสุ ข, ขความทุกข์ก็เพราะกายวาจาใจของตนเองที่มันแสดงออกแสดงออกทางกายแสดงออกทางวาจาแสดงออกทางใจว่ามันแสดงออกดีหรือไม่ดีทั้งนั้นเองจึงเรียกเป็นการกระทําก็คือกรรมก็คือกรรมดี กับกรมไม่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวสําคัญหรือว่าตัวแปรที่เห็นสิน่งเล่านี้ชัดที่สุดก็คือตัวเดียวคือสติทําไว้เสมอสติเบอะไรให้สติกับมหาตัวเองให้เร็วที่สุดถ้าจะจะเร็วได้ถ้าใครมีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดคนณั้นก็จะไม่เปลียนคนที่ไม่มีสติท่านเปรียบไปแรงแรงมากมากเหมือนกับคุณวอตอนนี้ คุณหมอตอนนี้ก็คือสภาวะเอาคือตายเพราะฉะนั้นคนไม่มีสติก็ไม่ต่างอะไรกับ ค, คนตายแรงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำพูดคิดอะไรโดยไม่มีสติก็เหมือนกับตายไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นในฐา น, นเป็นคนเป็นอยู่จะคิดจะพูดจะทำอะไรก òn, ่อนขณะหรือทำไปแล้วหมายคือว่าสมมติการกระทาของเราก่อนทาให้มีสติ ในขณะที่ทําอยู่ให้มีสติทําไปแล้วก็ให้มีสติมีความหมายคำว่าสติมันใช้ได้ทั้งสามขั้นตอนไม่ใช่ทําไปแล้วเขานึกขึ้นได้โอ้ไปแล้วอพาดไปแล้ ว, ลวอันนี้เรีกว่าขาสติมีสติเหมือนกันแต่มีสติที่หลังแต่ก็ยังดีนะที่ก็ไม่มีสติเลยเพราะฉะนั้นสติมันใช้ได้สามขั้นตอนอันนี้อันที่จะเป็นประโยชน์ปะนัะจุบันวันนี้เรามารวมงานเจ้าภาพของคุณหมอในวันนี้เจ้าภาพลูกหลาน ญาติพี่น้องสีคณะที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้ก็คือครอบครัวเลขสถานคุณโดยคุณอาภากล่อครอบครัวที่สองคือหลวงเดชมาลายครอบครัวที่สามคืสิทธิวงครอบครัวที่สี่เพื่อนรวมรุลสิทธสวัสด์ครอบครัวที่ห้าก็คือบริษัทเอตาเลียนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในค่าคืนวันนี้ขออานิสงส์ความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจมาสมทานเกิบพุทธาลิสติ คือไหวพระสถาทานศีลสีลานุสติคือรักษาศีลธรรมานุสติฟังธรรมขอด้ส่งให้การฟังธรรมในครนี้จงเป็นพะระเรปัจจัยนุนส่งตึงแต่คุณหมอผู้ร่วมรับไปแล้วและความดีอันนี้จงถึงแก่บรรพบุรุษของเราทุกคนอันมีปู่ย่าตายายผู้อื่พวกคุณทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้น จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบาร็ญในวันนี้การแสดงธรรมก็สมควรแต่เวลาเอวังก็มีโดยประกาศพชนี